ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้พูดในเปรตวัตถุหรือเรื่องของเปรตต่อจากที่ได้กล่าวมาแล้วเรื่องเปรตในหมวดนี้เริ่มต้นด้วยเปรตที่ท่านเรียกว่าเรื่องเปรตศีรษะโลนมีใจความว่าพ่อค้ากลุ่มหนึ่ง ได้เดินไปในิินที่การดานแห่งหนึ่งได้พบเปรตข้าตนหนึ่งเปรตนั้นไม่ยอมแสดงตัวให้ปรากฏเพราะไม่มีผ้านุงจึงได้แนะนำให้พ่อค้าเหล่านั้นได้ให้ผ้าของเขาแก่อุบาสกผู้มีศีลคนหนึ่งแล้วก็ให้อุทิศกุศลให้แก่แก่เปรตนั้น พ่อค้าก็ทำตามเมื่อเปรตอนุโมทนาในกุศลของอุบาสก ข, ของพ่อค้าที่ให้ผ้าแก่อุบาสกแล้วก็พีก็มีผ้านุ่งร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปเสร็จแล้วก็แสดงตัวให้ปรากฏแก่พ่อค้าเหล่านั้นพ่อค้าจึงสอบถามถึงการที่นางต้องมาเป็นเปรตนางเล่าว่าแต่ก่อนนั้น ในชาติก่อนนั้นนางเป็นสตรีที่หากินในทางไร้รำ่ำเป็นหญิงที่มีผมงามมากจนคนอื่นเขาเกิดดิสยาก็แอบใช้ยามาทาที่หัวจนผมร่วงหมดก็กลายเป็นคนศีรษะโลนนางก็น้อยใจมากเสียใจมาก แล้วก็ห น, นีไปจากสถานที่นั้นแล้วไปแอบขโมยเครื่องประดับของเขาต่อมาก็ได้พบกับพระอรหันต์รูปหนึ่งจึงได้ถวายทานแก่พระอรหันต์รูปนั้นหลังจากทำการลักขิยาบแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตการที่นางได้อยู่ใน สถานที่นั้นคือมีอาหารรับประทานดีไม่มีปัญหาในเรื่องอาหารก็เพราะได้เคยถวายทานแก่พระอระหันต์มาแต่ก็ไม่มีผ้านุ่งเพราะเคยขโมยผ้านุ่งเข้ามาจากปรเดเรื่องนี้ที่จริงก็ตอนที่เขาพบนั้นก็ไม่ได้พูดถึงหัวล้านนะครเป็นการหัวล้านในชาติก่อนอในชาติที่เป็นมนุษย์วัาถูก ถูกคนอื่นเขาเอายามาทาที่ศีรษะให้ผมร่วงไปใน ต, ตอนที่เป็นเปรตนั้นก็มีมีผมมีอะไรเรียบร้อยแต่ไม่มีผ้านุ่งเท่านั้นเองอันนี้เป็นการแสดงถึงการกำแนกของกรรมซึงทำหน้าที่ของตัวเองเออกไปในส่วนของให้ทานก็อำนวยผลให้เป็นอายุเป็นอาหารขึ้นมา แต่ในส่วนของการขาโมยเสื้อผ้าเขาก็บรรดาลให้นางเปรตไม่มีเสื้อผ้านี่ก็คือการจำแนกของกรรมตามหลักที่พระเจ้าทรงแสดงว่ากรรมย่อมจำแนกแบ่งแยกให้สัตว์เลวและพระนีแตกต่างกันออกไปตามหน้าที่ของกรรมนั้นๆซึ่งความสลับซับซ้อนในเรื่องนี้ที่จริงมันก็มีความขัดแย้งกันอยู่ คือถ้าพ่อค้าเหล่านั้นไม่ทราบจากเปรตก็อาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นข้อนี้ถ้าเรามองในชั้นที่ทั่วไปคือชั้นของคนเราก็จะเห็นได้ว่าคือบางอย่างมันก็ดีดรวยกันแต่บางอย่างมีความบกพร่อง ซึ่งไม่น่าจะมีอยู่ในคนคนเดียวกันอย่างที่ท่านแสดงไว้คือนักปราชญ์โบราณท่านแสดงไว้ว่าเ <c oughs> ทาพเจ้าของแห่งความงามเ <c oughs> ทพเจ้าแห่งความดีกับเ <c oughs> ทพเจ้าแห่งปัญญา <c oughs> จะไม่อยู่ร่วมกันในคนคนเดียวกัน แต่ว่าคนใดก็ตามมีเทพเจ้าสามองค์มาสิงสถิตยอยู่คนนั้นก็เป็นอัจฉรยิยะบุคคลหรือเป็นคนพิเศษะังนั้นเขาก็พูดในแนวความเชื่อเรื่องเทพเจ้าแต่ถ้าเรามองในแง่ของธรรมะเราก็จะพบว่าไอคนเราจะดีพร้อมสมด้านคือด้านรูปร่างก็สวยงามด้านสติปัญญาก็ฉลาดปราดเปรื่อง แล้วมีคุณธรรมความดีอยู่ภายในใจเหมาะสมคนประเภทนี้เราหาได้ยากอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั้นสมบูรณ์ด้วยประการทั้งปวงคือสมบูรณ์ทั้งสาอย่างแต่ถ้าเรามองนักปราชญ์ในยุคหลังเห็นยกตัวอย่างวัโสเครติสอย่างนี้แกก็มีสติปัญญาดีมีคุณธรรมดีแต่รูปร่างคีเรอัปลัก์ก็สรุปว่ามันมีขาดมีเกินกันอยู่ด้วย นี่ก็เพราะการจำแนกของกรรมคือคนเราทำอะไรมาไม่พร้อมเพราะแต่ละอย่างนั้นจะอำนวยผลไปตามสมควรแก่เหตุอย่างที่เคยแสดงถึงในกรณีของการให้ที่ยกตัวอย่างมานีน่คือการให้ข้าวให้น้ำมันก็เป็นการให้กําลังเพราะฉะนั้นเปรตตนนี้แกก็เคยให้ข้าวให้น้ำมาแวก็มีกําลังไม่ได้ทนทุกข์ทรมานอะไรในเรื่องนั้น แต่พอดีไปเกิดเป็นรักขโมยเสื้อผ้าเขาซึ่งในการให้เสื้อผ้าเป็นการให้ผิวพรรณให้เครื่องประดับตกแต่งเป็นเรื่องของกิริยาปฏิกิริยาแต่พอดีในจุดนี้แก่เป็นลักเขาเพาะนั้นแก่ก็ได้มีส่วนขาดส่วนเกินอยู่ยส่วนที่ได้ก็ได้ด้วยอํานาจบุญโดยส่วนที่เสียก็เสียด้วยอํานาจของปากปรากฏในคนคนเดียวกันแต่ว่ามีเหตุมาแตกต่างกัน ปรดต่อไปนั้นก็เป็นเรื่องของเปรตดที่ที่น่าคิดนะคือคือมันมันก็เกี่ยวข้องกับกับพระอรหันต์อยู่คือพระเทรรรูปหนึ่งชื่อสังกิจจะเทระพระเทรรรูปนี้มีประวัติที่ออกจะพิสดารและทำให้เรามองอะไรได้ในเรื่องอื่นอื่นนะฮะคือจะมองธรรมะในแง่มุมอื่นเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น คือท่านแสดงไว้ว่าไอปัจฉิมภรวิกษสัตว์คือสัตว์ที่เกิดมาในภพสุดท้ายเนี่ยพวกนี้ใครจะทําอันตรายไม่ได้คือแกต้องดับรรลุอรหันต์เป็นพระหันก่อนและตายก็ตายแหละคือบางทีบรรลุปุ๊บ ก, ก็ตายปั๊บก็มีแต่ต้องบรรลุอรหันต์ก่อนนี่คือหลักที่ท่านแสดงไว้แต่พอเรามองพระใจวีดกให้กว้างขวางออกไปเราจะเห็นได้ว่าคนประเภทนี้มีอยู่สองประเภทไม่ใช่ประเภทเดียว ประเภทหนึ่งนั้นมันไม่สมบูรณ์จะต้องเพิ่มเติมขึ้นในโลกนี้ประเภทหนึ่งสมบูรณ์แล้วเหมือนกับฝีที่กรัดหนองรอคอยการบุงด้วยน้าพอถูกน้านิดเดียวก็หนองก็ทะลักออกมาแล้วอันนี้ก็พาษาอังกฤษจะเทระนี่ท่านอยู่ประเภทที่สองเนี่ยคือมีความสมบูรณ์ แม่ท่านตายก่อนที่ท่านจะคลอด ก, ก็เอาไปเผาเผาทั้งๆ ท, ที่ก็มีเด็กอยู่ในท้องแต่ก็ไม่รู้ว่าตายหรือไม่ตายไม่มีใครรู้กันไปเผาปรากฏว่าพอไฟเกิดร้อนขึ้นมาเนี่ยท้องของแม่ระเบิดเอาแก่ออกมาก่อนแ ล, แล้วในขณะที่เขากำลังแทงศพอยู่เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ไม้แหลมๆที่แทงไปถูกกับคิ้วท่าน ถูกที่หางคิ้วถึงเรื่องวาาสังกฤษจะคือมันถูกถูกปลายเหลาเา่าท่านเป็นพระเทรรชที่มีความสำคัญมากแล้วก็เก่งมาตั้งแต่เป็นเนน่พอโตเป็นเด็กขึ้นหน่อยหนึ่งอายุ 7-8 ดแขวบก็ได้ทราบประวัติความเป็นมาของตัวเองเห็นว่าตัวเองนี่ห ม, มเกิดมาอย่างไงก็ไม่รู้ก็เลยสลดใจก็บวชบวชไม่กี่วันมนเป็นเพียงก็บรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์นาาไม่ใช่ไม่กี่วันนะ อ, องค์นี้พอมี จ, จด หัวแต่นั้นเองบอกกรรมฐานให้พิจารณาตามก็บรรลุแล้วบรรลุตั้งแต่ยังไม่ได้บวชทีนี้ต่อมาท่านก็เป็นอาจารย์ถอนสิทธิ์เนี่ยมีทุกสิทธิ์ทุกหามากรู้สิทธิ์คนหนึ่งไปชอบใจหลานไอ้ลูกสาวของลุงหรืไงเนี่ยไปชอบใจผู้หญิงอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งจะศึกอยู่ไม่ได้กระสับกระส่ายมากพระเถรานั้นท่านมีญาณอย่างรู้ว่าครอบครัวนี้จะประสบความพิบัติคือจะตายหมดทั้งครอบครัว เลยก็ฉะลอลูกศิษย์เอาไว้บอกหน้ารอก่อนอีกห้าวันอีกสมวันอีกห้าวันอีกเจ็วันเนี่ยฮะจะขอพัดก่อนไว้ได้พอถึงโอกาสกรรมมาถึงคนในครอบครัวนี้ประสบวาตภัยนะ่บ้านพังทับตายหมดพอตายพระเถระก็นำลูกศิษย์คือข้าวสมาธินำให้ไปเยี่ยมญาติเหล่านั้นญาติที่ตายเหล่านั้นก็ปรากฏว่าไปพบ ลูกสาวกับลูกชายของของลุงตายไปเกิดเป็นลูกเทวดาไปเป็นเทวดาอยู่แล้วก็พาไปดูลุงกับป้าปรากฏว่าเป็นเปรตถือค้อนกันค น, นละด้านตีกันใหญ่เลยตีกันไม่ประนีประสายแล้วพระเถระก็แสดงถึงกรรมที่คนเหล่านั้นได้กระทำคือลูกหญิงลูกชายสองคนนั้นถึงแม้ว่าพ่อแม่จะเป็นคน ชนีทีเหนียวก็ตามแต่ลูกนั้นมีความโน้มเอียงมาอีกด้านหนึ่งสนใจในการบำเพ็ญความดีในการให้ทานในการฟังธรรมในการรักษาศีลตามโอกาสเวลาทำอื่นนั้นพ่อแม่เขาไม่เคยขัดขวางเท่าไหร่เวลาให้ทานเนี่ยขัดขวางมากเพราะรักษาศีลมันไม่เปลืองเงินนะฮะรักษาศีลฟังธรรมก็ไม่สิ้นเปลืองอะไรแต่พอให้ทานเนี่ยมันสิ้นเปลือง เพราะันพ่อแม่ก็คอยกัดขวางลูกสองคนไม่ยอมให้ทําแต่ลูกก็ทํากันจนได้ในที่สุดพอพอตายไปลูกทั้งสองก็เกิดเป็นเท พ, รเทพทประภูตเทพธิดาพระธิดาก็นําให้ลูกศิษย์ไปดูด้วยไปดูก็เล่าใ้ฟังว่าเนี่ยเพราะความดีที่เขาก็ทํามาทีนี้ก็นําให้มาดูลุงทั้งสองซึ่งเป็นเปรตลุงกับป้านะฮะเป็นเปรตกําลังทุบตีกันเป็นการใหญ่ แล้วท่านก็แก้ว่าทำไมจึงต้องทุบจีตกันบอกว่าเพราะจิตสันดาล น, นั้นได้ปลูกฝังไอ้มัตฉริยะคือความสนีความหวงเอาไว้เนี่ยสูงมากคนที่สนีมากจะมีความระแวงนะฮะลองสังเกตจะมีความระแวงจะมีความหวงพอสนีมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจะไม่ไว้ใจใครเลยแม้ลูกตาของตัวเองแม้แต่ระหว่างสามีกับัญยาก็จะไม่ไว้ใจกันถ้าสนีจัดนะ และจะมองอีกฝ่ายหนึ่งเป็นศัตรูที่จ้องจะมาแย่งชิงสมบัติของตัวเองมันฝังอยู่ในจิตสัณดานเพราะงั้นคนทั้งสองนั้นเมื่อตายไปเป็นเปรตมันก็มองอีกฝ่ายหนึ่งจะมาแย่งสมบัติของตัวเองเลยก็ทุบตีกันเป็นการใหญ่เลยไอ้ฝ่ายผัวในชาติก่อนก็มองเห็นเมียในชาติก่อนว่าเป็นศัตรูจะมาแย่งครับฝ่ายเมียก็มองผัวในชาติก่อนในลัษณะเช่นนั้นเลยก็ทุบตีกัน พระเถระก็แสดงให้สามเณรดูแล้วก็สอบถามให้เปรตทั้งสองนั้นสารภาพออกมาด้วยเปรตเหล่นั้นก็เล่าข้อความทั้งหมดซึ่งจริงพระเถระก็รู้จักอยู่แล้วนะฮะรู้อยู่แล้วด้วยก็เลยเลูกศิษย์ของท่านเองก็รู้เรื่องนี้อยู่ด้วยเขาก็ได้ปัจจัยทั้งสองอย่างปัจจัยประการแรกก็คือมองในแง่ของกรรม บางคนเรานั่นเป็นไปตามกรรมรประการึ่งประการที่สอนท่านต้องการจะกระตุ้นเตือนลูกศิษย์ของท่านเนี่ยเห็นว่าทรัพย์สมบัติที่อุตส่าห์ยื้อแย้งเก็บหวงเอาไว้สนิทเอาไว้ไม่ยอมเสียสละไม่ยอมบริจาคแล้วฟังจิตตันดานอย่างเงี้ยในผลสุดท้ายเกิดไปเป็นเปรตเรามาทุบตีเพราะกลัวคนอื่นจะมาแย่งสมบัติโยนตลองว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ไ่ไม่ได้สาระอะไร คือไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งพมนักได้ตลอดไปจำนวนศาสนาท่านจึงเรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยปัจจัยเครื่องอาศัยในการดารงชีวิตคือไม่ใช่เป็นสมบัติที่ติดตัวจริงๆทีนี้ประการหนึ่งท่านต้องการแสดงให้ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยมองดูว่าไอ้ชีวิตที่ท่านมุ่งหมายต้องการที่จะได้ครอบครองความสุขในคารวา น, นั้น จริงๆว่ไม่เที่ยงเอาก็จริงๆคนที่แม้แต่อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวอย่างลูกของลุงสองคนนั้นก็ตายภิกษุรูปนั้นพิจารณาตามไปเกิดสลดใจบูบา้คือว่ามันไอ้พวกตกนรกไอ้เป็นเปรกก็เป็นเปรตเป็นเทพประบุตรก็เทพประบุตรเทพธินดาอีกที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเห็นกันอยู่ดลัหลัดมาตายกันหมดเลยก็บาเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลไป วันคำว่าเปรตในที่นี้ท่านจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเกิดในเปนตตาโลกแต่มันเป็นเป็นสิ่งที่ละไปแล้วนะครับเปตานังดัชคินังรัชชาที่ท่านอนุโมทนาคือให้แก่ผู้ที่ละไปแล้วได้แก่คนที่ตายไปแล้วนั่นเองซึ่งก็ไม่เจาะจงว่าจะต้องเป็นเปรตหรือจะต้องเป็นเทพบระบรุหรือจะต้องเป็นสัตว์นรก แต่คำท่านก็สรุปรวมเรียกว่าเปตะคือละไปแล้วบางครั้งเป็นเทวดานะฮะบางครั้งเป็นเทวดาก็ยังเรียกว่าเปรตเปรตชุดต่อไปเรียกว่าไม่ไม่จะไม่จะชุดต่อไปนะฮะตนต่อไปเรียกว่าโมจะนะเปรตคือเปรตที่ประสบทุกขทรมานต้องเป็นแผลผู้พองนะฮะแล้วก็กินน้ําเลือดน้ำหนองแล้วก็ไม่รู้จักอิ่มจักพอสักที ก็มาสแสดงตัวแก่ภาษาดิบุตรตีระภาษาดิบุตรก็สอบถามว่าเธอทำกรรมอะไรไว้ถึงเป็นเช่นนั้นแกก็บอกว่ากรรมของแกที่สาหัสมากที่สุดคือกระด้างกระด้างด้วยมานะไม่ยอมเคารพ ก, กราบไหว้นับถือใครเป็นคนก้าวร้าวนะฮะเพราะมานะกร ะ, ะด้างกระด้ามันก็ก้าวร้าวนะฮะมันก็เดินออกไปแต่ว่าเราจะเห็นว่าพื้นฐานใจที่กระด้างเนี่ย ทำให้ไม่ยอมรับนับถือคนอื่นแม้แต่พ่อแม่ของตัวเองญาติผู้ใหญ่ของตัวเองลามปามหายมาแม้แต่พระแม้แต่สมณะพราหมณ์ในสมัยนั้นก็ไม่นับถือแต่ว่าดีอยู่หน่อยหนึ่งที่ว่าคือในชาตินั้นน่ยแกก็เคยไหว้พระมาคราวหนึ่งคือเคยไหว้พระศาริบุตรมีข้อความว่าในคราวหนึ่งพระศาริบุตรได้ไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ชาบ้านก็มาเฝ้ากันมามาหาท่านนะ่ะแล้วคนอื่นก็ไหว้กันมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไม่ยอมไหว้พระสาริบุตรก็มียานอย่างรู้นะฮะท่านรู้ว่าเด็กต่อไปนี้จะเด็กคนนี้ต่อไปจะเป็นอันตรายท่านก็นบอกว่าหนูคนอื่นก็ไหว้พระกันทําไมหนูไม่ไหว้ด้วยแกก็ไม่ยอมไหว้นะะเพื่อนแกก็จับมือ เพื่อนเด็กคนนั้นก็จับมือให้ไหวก็อันนี้สงจากการไหวเนี่ยมันก็ลดมานะลงมาได้หน่อยก็ทำให้เป็นแค่เปรตคือจิตก็ไม่เดิ่มใสยอะไรนักนะแต่ว่ามันก็อ่อนลงมาพอรุ่งควรคือถ้าหากว่าแกไม่ยอมยกมือถึงแม้เพื่อนจะจับมันก็คงจะคงจะยกมือไม่ขึ้นน่ะก็ในที่สุดก็มาเกิดเป็นเปรตแล้วก็ขอให้ พระเถระช่วยเพราะแกไอผ้าผ่อนอะไรก็ไม่มีเหมือนกันภาษาดิบุตรท่านมีไอผ้าเล็กๆอยู่ผืนหนึ่งครับไอผ้าเล็กอยู่ผืนนั้ก็ผ้าผืนนี้ไปถวายพระอีกองหนึ่งแล้วก็อุทิศกุศลนี้ให้เปรตเปรตนั้นก็ได้ผ้าที่สมเสร็จด้วยชิปแล้วแกก็อันโมทนานะฮะในที่สุดก็พนจากสภาพเป็นเปรตต่อมาก็ก็เรียกว่า ไตรมาตุสาลีบุตตะเถรวัตถุเปตวัตถุคือเรื่องเปรตที่เป็นมารดาของพระศารีบุตรคราวหนึ่งพระษารีบุตรได้พบกับเปรตตนหนึ่งที่ประสบทุกทรมานนนีเปื่อยน้ากินน้ำเลือดน้ำหนองแล้วก็เจ็บทุก ท, กทรมานมากเลไม่ได้รับความสุขพระศารีบุตรก็สอบถามว่าเป็นบาปรกรรมอะไรที่เป็นเช่นนี้ ถ้า แ, แกบอกว่าแกมันก็จะหนีอ่ะทีนี้วนไปวนมาเปรตๆเดีเ๋ยวมันออกอดหนีไม่ได้เอ่อคือคอยขัดขวางการกระทําความดีของคนอื่นแม้แต่ของสามีของลูกเต้าคอยขัดขวางข็หมดคอยห้ามปบามก็หมดคือเป็นหวงมีความหวงมีความเสียดายในทรัพสมบัติเหล่านั้นกลัวจะหมดสิ้นไปเนี่ยแล้วพอใครไม่ทําตามแกแกแก็ด่าแกก็ด่าแกก็ว่าบางทีก็ว่าก็ เอาไปให้ไปไม่มีอะไรกินจะต้องกินน้ําเลือดน้ําหนองกันไอ้จากคำเหล่านี้คำอะไรที่แกใช้มาทั้งหมดเนี่ยมันก็ย้อนครลาวกลับเข้ามาหาแกแต่แท้ทจริงอันนี้เป็นวิบากกรรมนะฮะแกตกนรกมาก่อนนะก็มาถึงก็มาเกิดเป็นเปรตแล้วก็บอกเรียนภาษาดิบุตรว่าท่านเองนั้นเป็นแม่ของภาษาดิบุตรย้อนหลังไปนะฮะจากชาติปัจจุบันในชาติที่ห้า ก็ขอให้ภาษาริบุตรได้ช่วยเหลือท่านพ้นจากทุกทรมานด้วยนะแกใช้คํามาลูกเลยเรียกเป็นลูกเป็นแม่กันเลยภาษาริบุตรท่านก็กลับมาจากที่นั้นแล้วก็มาปรึกษากับพระโมคคัลลานะพระนุรุตพระอนนท์ว่าจะทํำยังไงกันดีคือจะช่วยแม่ในาชาติก่อนได้ก็นายที่สุดตกลงว่าคือมันมีหลายเรื่องอะที่อยู่ก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีผ้านุ่งก็ไม่มีมันตั้งหลายเรื่อง แต่ว่าบุญเหล่านี้จะอาศัยปัตตานุโมทนาใหม่เท่านั้นเองจึงจะช่วยได้พระก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเหมือนกันนะเลยก็ในที่สุดก็ไปหาพระเจ้าพิมพิสารไปเล่าให้ฟังว่าแม่ของท่านในชาติที่ห้าย้อนหลังไปเนี่ยประสบทุกทรมานอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นต้องการที่จะช่วยเหลือพระเจ้าพิมพิสารท่านก็สนับสนุน คืท่านสร้างกุติขึ้นมาสี่หลังสร้างกุติขึ้นมาสี่หลั ง, ง, ลงแล้วก็จัดเสื้อผ้าเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่คือจัดผ้าสาดกผ้าสบงจีวรนเนี่ยถวายให้พระสารีบุตรกับสำรับกับอาหารคือถวายให้เป็นของพระสารีบุตรทั้งหมดพระสารีบุตรก็ของเหล่านี้ไปถวายอีกทีหนึ่งไปถวายให้พระสงฆ์พระสงฆ์อันโมทนาเปรดนั้นก็ ภาษาดิบุตรก็อุทิศกุศลไปให้และเปรตก็อนุโมธนาแล้วก็หลุดพ้นจากความเป็นเปรตพระโมคคัลลานะไปเที่ยวในเทวโลกทีหลังก็ไปพบเขาก็าเห็นสมบัติอยู่สุขสบายดีมากมายเขาสอบถามท่านก็เล่าความให้ฟังว่าเนี่ยท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานมาเพราะอนุโมธนาบุญที่ภาษาดิบุตรอุทิศกุศลมาให้ก็ตั้งใจจะไปหาภาษาดิบุตรเพื่อ อโมทนาขอบคุณในการที่ภาษาีบุตรได้ช่วยเหลือให้ท่านพ้นจากสภาพเป็นเปรตและท่านก็โมกันลานก็นำเรื่องนี้มาเล่ามาเล่าถวายพระพุทธเจ้าเรื่องมันหลายต่อนะเออใจความตอนนี้มีเรื่องที่น่าศึกษาอยู่ประการหนึ่งก็คือว่าในองค์ภาษารีบุตรเองนั้นเป็นยอดกตัญญูนะฮะเป็นยอดกตัญญูเป็นตัวอย่างบุคคลยอดกตัญญูในพระพุทธศาสนา อะไรนิดๆหน่อยๆคือใครทำอะไรอุปการะคุณแก่ท่านเนี่ยท่านจะต้องตอบแทนบุญคุณออลักษณะเป็นคนสุ ข, ขุมมาตั้งแต่ต้นถึงแม้ว่าจะอ อ, ออกบวชหนีแม่บวชก็ตามแต่ว่าตอนตอนหนีบวชท่านก็ส่งคนไปบอกหรือตัวเองไม่ได้ไปบอกเองก็ส่งคนไปบอกแล้วก็ให้บริวารส่วนหนึ่งนำในเครื่องใช้ต่างๆของแม่กลับไปให้แม่ เวลาจะออกบวชในสำนักพระพุทธเจ้าตอนนั้นท่านอยู่กับสันชยัยนั่งกลิตะหรือโมคลานะนี่ใจร้อนนะพอบรรลุโสดาปัปปะจารีบมงผ่าวพระพุทธเจ้ามาสาริบุตรบอกไม่ได้เดี๋ยวจะต้องไปชวนอาจารย์ด้วยเข ค, คิดถึงอุปการคุณของสนชัยท่านพยายามไปต่อสู้ชี้แจงให้เหตุผลเมื่อท่านสันชัยไม่ยอมก็เป็นเรื่องของท่านแต่ว่าท่านก็แสดงความกระตันยวกับตเวทีละ ท่านบรรลุธรรมพระวังธรรมะจากพระอาสชิสองบรรทัดสองบรรทัดเท่า น, นั้นเองบรรลุโสดาแล้วต่อมาเมื่อท่านบวชเป็นพระแ ล, ะล้วรู้ข่าวว่าพระอชิอยู่ในทิศใดเนี่ยต้องไหว้ไปทางทิศนั้นไหว้ไปทางทิศนั้นก่อนที่จะนอนแล้วก็นอนหันศีรษะไปทางทิศนั้นจนพวกพระหนุ่มเน้อยนึกว่าภาษาอดีบุตรติดตะิพราหมณ์นั่งไหว้ทิศ มากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังคือแม้แต่พระราธะเคยตักข้าวให้ท่านทัพพีหนึ่งทังก็ถือเป็นอุปกรารคุณที่จะต้องทดแทนโดยช่วยบวชให้พระราธะแล้วก็ให้อุปถัมม์สนับสนุนด้วยตัวเองจนบรรลุมรคขนไปเพราะนี่จริงแม่เนี่ยมันก็ชาติที่ห้านะก็นา น, นแต่นี่คือความ อย่างพระอาหารหันนั้นท่านประกอบด้วยกุณานั่นอย่างหนึ่งแน่แน่นอนอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือความกตัญญูคือไม่ใช่ท่านเชื่อเพราะนางเปรตบอกแล้วท่านรู้ได้ยานเขาท่านในในที่สุดท่านก็ตอบแทนบุญคุณให้ประการต่อไปก็คือเรื่องไอ้พวกมือไม่ทาไม่พายเอาเท้ารา น, าน้ำในเนื้หาเรื่องแท้แท้ไรทีจริงเออเปรตตนนี้ถ้าดูตัวท่านเอง ท่าก็ไม่เคยได้ทำความดีอะไรแต่ว่าที่เสียหายนั้นคือไปขัดขวางเขาคนเราในชั้นของศีลท่านจะเห็นว่าไม่ทำตนเองให้เดือดร้อนไม่ทำบุคคลอื่นให้เดือดร้อนนั่นคือชั้นศีลที่นี้เปรตตนนี้เราจะพบว่านอกจากทำตัวเองให้เดือดร้อนแล้วก็ทำคนอื่นให้เดือดร้อนด้วยที่พระเจ้าสอนในขั้นละเนี่ยขั้นละคือหมายความว่า ชั้นหนึ่งนั้นเราก็ไปช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอกแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็เขาจะประสบความพิบัติเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นเพราะการกระทำของเรานั่นก็เป็นการช่วยในระดับหนึ่งนะแต่ว่าเปรต น, นั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็คอยขัดขวางเขาด้วยแทนที่จะช่วยเหลือยังไปคอยขัดขวางไปตัดรอนไปห้ามปราบกีดกันแม้คนอื่นก็ทําความดีแล้วไปด่าว่าเขานี่ก็เรียกว่าหาเรื่อง คือเรื่องไม่เป็นเรื่องแกก็ไปสร้างมาเป็นเรื่องขึ้นมามือไม่พายและเอาเท้าไปราน้ําไปขัดขวางตัดรอนคนอื่นแล้วในที่สุดตัวเองก็ประสบบิบากกรรมที่จริงก็แรงนะฮะแรงมันก็พอๆกับไอเปรตเรื่องแรกตอนต้นในตีโรกุตกรสูตรที่พูดถึงพวกขัดขวางพวกเปรตพระญาติพระเจ้าพิมพิสารนะฮะมันก็ไปขัดขวางคนอื่นเหมือนกัน มันท่านเองนั้นถ้าไม่ได้เป็นเปรตเลยแต่มันหลุดมาจากนารกเพราะมันผ่านมานานแล้ว อ, อ, อีกประการหนึ่งก็คือว่าในแง่ของสังสารวัตรได้แสดงถึงกฎเกณฑ์ของสังสารวัตรที่เป็นไปตามเงื่อนไขของกรรมว่าในสังสารวัตรอันยาวนานนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าคือคนเราที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันไม่มีในโลกนี้แต่มันมีจะเกี่ยวข้องกันนาน หรือว่าเร็วหรือว่าอดีตการที่นานไกลที่สั้นใช้คําว่าทูเรนิทานคือเรื่องมันไกลลิฟเลยเรื่องเรื่องไม่ไกลไม่ใกล้แล้วก็เรื่องใกล้ๆแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือการเกี่ยวข้องทีนี้คนเราถ้าเกี่ยวข้องกันไกลเกินไปไอ้ผูกพันภายในใจมันก็หายไปแต่ถ้าเกี่ยวข้องกันใกล้ๆไอ้ความสัมพันธ์ภายในใจมันก็ยังมีเชื้ออยู่ที่หลงเหลืออยู่พอมีอมากระตุ้นเตือน มันก็ระลึกได้แล้วก็นึกขึ้นมาได้จากพระสารีบุตรกับนางเปรตตนนี้ก็เคยเป็นแม่เป็นลูกกันมาตั้งตั้งห้าชาติแล้วนะฮะแต่นั้นก็คือความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและจุดเด่นอีกประการหนึ่งของพระสารีบุตรก็เหมือนกับลูกของพ่อแม่สองคนที่จะหนีในในใ น, ในเรื่องก่อนท่านเป็นอภิชาติตบุตรอยู่ได้ตลอดซึ่งมันแปลกนั่นกัน ว่าในชาติที่ห้าแม่ของท่านก็เป็นมิจฉาทิฏฐิคอยกัดขวางตัดรอนใะนท่านโดดเด่นออกมาได้นั้นสร้างบา ร, รมีสร้างความดีของท่านได้พะมาชาติสุดท้ายก็อีกอเจอแม่ที่เป็นมิจฉาทิฐิก็อีกลนางสารีแต่ท่านก็โดดเด่นออกมาได้เราไม่โดดเด่นออกมาองค์เดียวนะฮะเอาน้องสาวต้องจะสามคนน้องจาวน้อง น้องสาวสามคนน้องชายส า, สาแล้วก็หลานชายอีกคือทั้งหมดเอ่อทั้งหมดลูกเขาเจคนให้บวชหมดอ่ะเป็นพระอรหันตระดับเอตะทัคคะตั้งสี่องค์แล้วก็น้องสาวก็เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเหมือนกันชื่อจาราอุปจาราศีสุปจารานี้ก็คือลักษณะอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราพูดกันในแง่ของอะไรพันธุ ก, กรรม คือบางทีมันไม่อิทธิพลครอบงําได้แต่พื้นฐานใจเราอ่อนแต่ถ้าอิทธิพลของบารมีธรรมเรามีมากพอภายในใจมันก็อยู่ในประเภทที่เรียกว่าเหมือนเพชรพลอยถึงตกหลุมตกบ่อตกโคลนตกตมมันก็คงสภาพความเป็นเพชรเป็นพลอยเอาไปคนเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันพระสารีบุตรนั้นก็เป็นตัวอย่างอย่างดีในเรื่องนี้ ีนีประการต่อไปในเรื่องการให้ให้ทานซึ่งซึ่งมันสลับซับซ้อนนะท่านจะเห็นว่าภาษาริบุตรเองท่านก็ไม่มีไอจะสร้างกุติก็ท่านไม่รู้จะเอามาจากไหนกุติก็ดีผ้าก็ดีอาหารก็ดีเนี่ยจะเป็นตัวเป็นเป็นของท่านเองมันก็หลุดดูจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเมื่อท่านไปถวายพระพรให้พระเจ้าพิมพิสารสงสาร เหตุการณ์ตอนนี้มันก็แน่นอนนะฮะถ้าเราดูก็เกิดขึ้นในตอนอย่างมากก็กลางพุทธสมัยเพราะพระอานนท์บวชแล้วพระเจ้าพิมพิสารนั้นที่โหวมคตตอนพระพุทธเจ้าประชวรอายุเจ็ดสิบสามพรษาคือพระเจ้าชาตตูเสวยราชสมบัติอยู่ก่อนพระพุทธเจ้านิพพานสมัยในสมัยที่พระเจ้ายังดำรงพระชนอยู่ได้เจ็ดปีพระพุทธเจ้ากวนิพพานอันนี้เราก็ไปดูจากที่อื่นนะฮะเพราะว่า ในเหตุการณ์ในพระใจบิดกในคำพีพุทธศาสนาเราไม่ค่อยรู้ว่าอะไรมันเกิดก่อนเกิดหลังแต่สามารถคำนวณตามเหตุการณ์หรือตามเรื่องราวตามบุคคลตามสถานที่ต่างๆเอาในระยะใ ก, กล้ๆก็ลงตัวไม่ได้หรอกอย่างเจ้าคุณสมเด็จเขียนเรื่อง4 5 0 0รษาทั้งสองเล่มเบื้ง เ, เงต้ก็เขียนมาได้7 0ร0ภาพรรษาที่8ก็ยังยังไม่ได้ทำ พราพอจะรู้ได้ขนาดนี้เจดแปดพันปาแรกกับ 3, สามพันปีหลังเนี่ยพอจะจับทางได้ว่าตอนนั้นอยู่ที่นั้นประทับอยู่ที่นั้นที่นั้นเพราะเวลาท่านเขียนท่านไม่ได้มองเน้นในด้านประวัติศาสตร์ท่านเน้นเฉพาะเรื่องธรรมะเท่านั้นเองเอกลางสมยยังในสมัยหนึ่งนะโดยสมัยนั้นแลในสมัยนั้นท่านจะใช้คําอย่างนั้นโดยไม่รู้เมื่อไหร่พศเท่าไรปีไหนอะไรเดือนอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องไง ไม่ได้บันทึกแนวประวัติศาสตร์หรือแนวเนปงสาวดานแต่เป็นการบันทึกเน้นเฉพาะธรรมะเท่านั้นเอง เ, ออเมื่อพระเจ้าพิมพิสานยังอยู่ก็แสดงว่าเป็นตอนกลางๆของพุทธสมัยพระอานนท์นั้นท่านบวชทีหลังนะฮะเมื่อพระอานนท์นเป็นพระเถระผู้ใหญ่แล้วก็แสดงว่ามันก็ต้องอยู่กลางๆพระเจ้าพิมพิสารต้องสร้างขึ้นมาแล้วก็ถวายเพราะถวายมันก็กลายเป็นของวิสาดิบุตร เรื่องของภาษาดิบุตรภาษาริบุตรเองแต่ก็ต้องถวายต่ออีกทีหนึงคือถวายให้เป็นสังฆทานเพื่อมีผลมากแต่ถวายทั้งเสนาสนทานนะฮะท่านจะเห็นว่าถวายเสนาสนทานถวายผ้าเป็นทานถวายอาหารเป็นทานเพราะสิ่งที่นางเปรตขาดแคลนอยู่นั้ขาดแคลนที่อยู่ก็ต้องถวายเสนาสนะไม่มีเครื่องนึ่งผมก็ต้องถวายผ้าแล้วก็ไม่มีอาหารก็ต้องถวายอาหาร ถวายอาหารแก่สงฆ์และอุทิศอุทิศให้แก่นางเปรตนางเปรตก็ต้องอนุโมทนาตั้งแต่การอนุโมทนาเนี่ยทาทั้งหลายก็จะพบว่ามันก็เข้าสูตรเรื่องของการทำบุญที่เราเรียกว่าอะไรทักษณนา น, ปป า, านุปาทานทำบุญอุทิศได้แก่คนตายเนี่ยมันก็อยู่ที่จะต้องมีการบำเพ็ญบุญอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเมื่อบำเพ็ญแล้วผู้บำเพญ็ญต้องอุทิศกุศลไปให้แก่ผู้ที่วายชนไป ด้วยปฏิทานใหม่คืออย่างที่เราพูดว่ากรวดน้ำํำมันแปลกแปรส่วนกุศลเนี่ยแล้วผู้ที่วายชนไปก็ต้องรับทราบและอนุโมธนาในกุศลจริยาส่วนนี้พอเป็นเช่นนี้ก็ได้ออกมาเป็นสํานเะร็จสำเร็จเก็เปตเท่านั้นแต่ว่าวิบากกรรมท่านเหลือน้อยแล้วนะฮะพอสำเร็จด้วยอนุโมธนาท่านก็กลับเป็นเทพเทพธิดาการพบคราแรกพระโมคคัลลานะไม่พบอตอนเป็นเ ป, นเปรตเนี่ย แต่ท่านพบตอนเป็นเทพธิดาคือหลังจากได้อนันโมทนาส่วนบุญแล้วก็บังเกิดเป็นเทพธิดาเมื่อท่านไปพบสอบถามท่านก็เล่าย้อนหลังมาซึ่งเป็นเรื่องที่พระโมคกขลานะเกี่ยวข้องอยู่ด้วยแล้วท่านก็นำมากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุเจ้าก็นำมาแสดงแก่พุทธบริษัทอีกต่อนหนึ่งแต่เรื่องก็หลายเรื่องหนหลายขั้นหลายตอนหน่ อ, อ, อต่อไปนั้นก็เป็นเรื่องของ ของเปรตเปรตอันนี้เปรตแปลกนะฮะคนตายเฉยๆพูดถึงคนตายเฉยๆก็มีใจความว่าพ่อลูกพ่อลูกนะห้าคนนะห้าคนหคนสามีกับพันยานะลูกชายลูกสะภ้ายลูกสาวทาตุหคนภายในครอบครัวเนี่ย ต่างคนต่างสอนให้สำเนียกให้เจริญมรณัสติคือระลึกถึงความตายกันอยู่เสมอจนกลายเป็นพื้นฐานใจของแต่ละท่านคือไม่หวั่นไหวในเรื่องตายต่อมาเช้าวันหนึ่งพ่อกับลูกนั้นพ่อกับลูกชายได้ไปไถนาลูกชายไปทำอีท่าไหนไม่ทราบก็ถูกงู ก, กัดตาย ก็มีคนเดินสวนมาพ่อเห็นลูกชายถูก ง, งูกัดตายก็ไปอุ้มศพมาวางไว้แล้วผ้าคลุมไ้เห็นเพื่อก็เดินสวนมาก็สั่งไปที่บ้านบอกว่าให้เตรียมอาหารมาเพียงสหรับเดียวทางบ้านอีกสี่คนนั้นก็รู้ว่าคงจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่ได้ตกใจอะไรมาถึงก็รู้ว่าลูกชายตายเพราะถูก ง, งูกัดแล้วก็นั่งกันเฉยๆก็ปรุงสังเวช ไอพ่อก็กินข้าวกินปลาเฉยไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่แสดงอาการเดือดร้อนอะไรไอคนตั้งหลายมาล้อมดูมันกลายเป็นคนพิกลเพราะมันผิดสูตรผิดสูตรของชาวโลกทั่วไปมันก็ต้องร้องให้เสีย ใ, ใจไอเรื่องสูตรเหล่านี้เม่อก่อนนี่มีโยมคนหนึ่งเขียนเด็ดหมายมายังไม่ตอบให้กันเลยแกบอกว่าบ้านของแกนั้นอยู่ที่ข้างในตรอไป แล้วก็มีคนก็คอยค่อนแคะเรื่อยนะฮะแกไปวัดเข้าทำฟังทำจำศีลอยู่เรื่อยปฏิบัติภาวนาอยู่เรื่อยแล้วก็ไอเพื่อนบ้านใกล้เคียงแล้วก็คอยค่อนแค่คอยสอบถามอะไรว่าแกเนี่ยว่าไปวัดนั่งสมาธิระวังจะเป็นโรคประสาทต่อไปจะเข้าโรงพยาบาลหรืออกหกักอะไรือว่าเรื่อยนะเพราะงั้นแกก็เดือดร้อนกับถ้อยคาเหล่านี้ได้าเกิด เกบมายัางไม่ตอบก็เพราะรู้สึกว่าแกยังไม่เข้าถึงวัดอะไรเกบไปเดือดร้อนอะไรกันะไเรื่องเขาด่าอย่างนั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไปรับรู้แล้วก็สร้างความเดือดร้อนเพราะมันเป็นเรื่องกระแสของเขาเมื่อไปเห็นอะไรที่ขัดแย้งกับกระแสของเขา ก, ก็มองเห็นว่าการกระทาเหล่านั้นเป็นความไม่ถูกไม่ควร เพราะคนรอก็หลงตัวเองเชื่อชูตัวเองนะฮะเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองทํานั้นคือความถูกความควรเมื่อคนอื่นไม่ทำตรงกับตัวเองก็กลายเป็นการกระทําที่ไม่ถูกไม่ควรมันก็เหมือนกับเราไปโรงพยาบาลตุ่มเด็จเจ้าปยาเนี่ยลองโผล่ไปดูพน่นแม่ก็ชี้หน้าเป็นแถวคนบ้ามาแล้วคนบ้ามาแล้วมาเคยไปที่โรงพยาบาลอะไรสารานรมสุราดพอโผล่ไปในะพวกมันชี้ทางหน้าตาโน่นโคนบ้ามาคนบ้ามาแต่เราไปกันสองสามคนเรากลายเป็นคนบ้ามันกลายเป็นคนดีมมากกว่า ไม่จะเอาอะไรกับเขาอะ่ะมันมันมันคือถ้าเราไปให้ความสำคัญแก่คนพวกนี้นะฮะแ้าเราก็เดือดร้อนเราจะไม่มีหลักในการในการครองชีวิตหรือในการตัดสินปัญหาต่างๆพระพุทธเจ้าสอนให้สนใจเฉพาะวินโูชนเท่านั้นเองยันจะพบว่าพูดไว้ทุกแห่งนะฮะวินโูชนใครควรและติเตียนไหมแล้วไม่พูดถึงภ่าละชน พัฒพาละชนรงแสดงว่าอย่าไปใส่ใจถ้อยคําณปเรศังวิโลมานี้นะฮะวิโลมานี้ก็ที่จริงก็คํำในแปลกนะฮะถ้าแปลเป็นไทยให้มันสะใจหน่อยก็ไม่มีอย่างอายวิโลมานี่คือไม่มีขนปราศจากคนคือไม่มีความละอายนั่นเองไม่มีอย่างอายของบุคคลบางพวกนะฮะเราไปสนใจเขาไม่ได้แต่ให้สนใจวิเคราะห์ตรวจสอบถึงงานที่ ทำแล้วและยังไม่ได้ทําของเราดีกว่าเพราะฉะนั้นการกระทำก็เราเมื่อมีการถูกต้องมันก็ไม่ไม่น่าจะต้องไปใส่ใจไปต้องเดือดร้อนอะไรเขาแก้ปัญหาไม่ได้มันต้องแก้หัวใจตัวเองเราเลยก็ยังไม่ตอบให้กันนะก็นึงว่าจะรอสัญญาณหนึ่งงั้นแกถามมาใหม่อีกแลจะตอบมาแก้ทางได้เลยอย่าง เ, เพราะงั้นคนกลุ่มนี้เราจะเห็นว่ามันก็มีอยู่สองกลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งหกคน ไม่เดือดร้อนทั้งๆ้งที่เรื่องคนอื่นก็เดือดร้อนกันแต่คนที่ไม่มีเรื่องให้เดือดร้อนมันปล่อยเดือดร้อนเมื่อไม่เห็นคนอื่นก็เดือดร้อนเหมือนตัวเองเลยก็มาสอบถาม่านี่คุณมันเป็นไงไปไหลูกตายทั้งคนไม่เห็นเดือดร้อนอะไรพ่อก็บอกว่ามันเหมือนกับงูลอกคราบนะงูลอกคราบแล้วก็ทิ้งคราบเก่าไปอยู่ในร่างใหม่แล้ว เขาก็ไม่อะไรในคราบที่เขาลอกชิ้งเอาไว้แล้วเรื่องอะไรเรื่องอะไรเราจะต้องมาอะไรต้องมาอะไรแม้เขาเองก็ยังไม่อะไรซึ่งนี่ก็เป็นความคิดที่ออกจะคมนะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าคือเรามามองดูซากศพที่เขานอนอยู่เขายังไม่เดือดร้อนอะไรเลยแล้วเราก็ไปร้องห h มร้องไห้กับเขาทำไมเมื่อกก็งูลอกคราบ เขาทิ้งคราบของเขาไปแล้วก็ไปที่อื่นแล้วไปที่ไหนก็ไม่รู้แล้วคนก็มาเดือดร้อนกับไอ้คราบงูอยู่เนี่ยใี่ความคิดคมมาจะเล่นนะในพวกมรนสตินะฮะแต่ท่านไม่ได้บอกว่าสมัยนั้นมันเป็นพุทธการหรือไม่พุทธการเอ่อต่อไปก็แม่นะแม่บอกว่าลูกชายของฉันเนี่ย ตอนที่แกมาเกิดนะแกก็ไม่ได้บอกจะมาเกิดอีตอนนี้แกตายแกไม่ได้ลาฉันเลยนะเพราะฉันจังก็นึกไม่ออกว่าจะร้องให้ทำอะไรครับคนที่มาเขาไม่บอกไปก็ไม่ลาแล้วฉันร้องให้ไปแกก็ไม่รู้ถึงการที่ฉันร้องให้แวก็เสียเวลาไปเปล่าๆเพราะงั้นไม่ต้องร้องให้ส่วนพันยา ปัญญานะฮะปัญญาพูดว่าไอพระชนะที่มันแตกพัะชนะที่แตกไปแล้วเนี่ยใครไม่อาจที่จะประสานในมันคืนสภาพได้เพราะฉนั้นคนที่ตายไปแล้วก็เหมือนกันก็ชื่อว่าตายไปแล้วการจะร้องไห้เสียใจถึงคนที่ตายไปแล้วเราก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาไอน้องสาว น้องสาวเขาบอกว่าการที่บุคคลไปร้องไห้เสียใจเพราะเพราะเพราะคนที่ตายไปแล้วนั้นก็เหมือนกับเด็กร้องไห้อยากได้ดวงจันทร์เป็นการสูญเสียเวลาไปโดยเปล่าประจักประโยชน์พร้องไห้น้ําตาเป็นสายเลือดมันก็ไม่ได้ดวงจันทร์ก็คงเป็นดวงจันทร์อยู่อย่างนั้นไอ้สะพ้ายก็ถือก็ก็พูดคล้ายๆกับไอ่ไม่ใช่ธาตุธาสีนะฮะ พูดคล้ายๆกับกับลูกสะพายคือของที่มันหักแตกทำลายไปแล้วมันคืนสู่สภาพเดิมไม่ได้จันใดร่างกายที่แตกทำลายไปแล้วก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นคือบุคคลไม่อาจที่จะให้คืนสภาพเดิมได้แล้วทุกคนมาสรุปเหมือนกันว่าเมื่อญาติพี่น้องตายไปนั้นในขณะที่ญาติทั้งหลายร้องให้ เสียดายจากการจากไปของเขาเขาเองเขาก็ไม่รู้ว่าญาติพี่น้องร้องให้แต่การร้องให้จึงไม่เป็นประโยชน์เพื่อกุลอะไรแก่เขานอกจากจะเป็นการทําลายตัวเองทําลายสุขภาพของตัวเองแล้วทางอย่างเหลือหคนนะฮะก็จัด ก, การเก็บศพไปฝังศพไปเผาศพลูกชายอันนี้ก็พูดถึงเปรตในแง่ที่เรียกว่าเป็นผู้จากไปเท่านั้นเองคือเป็นคนตายเท่านั้นเอง ก็ตามคาถาโมทนาที่พระใช้พระใช้ในอะไรในงานศพอะ่ะที่ท่านบอกว่าโสยาทิธรรมโมจะยังนิดัตสิโตเปตาณปูชาจักกตาอุลาราคือเป็นการบูชาแก่ผู้ที่จากไปจะหมายถึงคนตายแต่ น, นั้นนและแม้แต่ในพวกสัยยาคือการนอนที่พูะเจ้าทรงแสดงไว้ใน ติกนิบาตจตุกนิบาตกุตระนิกายนะฮะถึงลักษณะของการ น, นอนกามพโอกีไสายยาเปตะไสายยาสีห์ไสายยาตถาคตะไสายยาการนอนในสีแนวคือเปตะไสายยามันก็นอนหงายก็แบบคนตายนอนหงายก็พูดถึงคนตายแต่ในยังไงคำว่าเปตะนี้ไม่ได้หมายถึงว่า อะเป็นเปรตอะไรเพราะงั้นคําว่าเปรตจรึงไม่ใช่เป็นคําหยาบนะฮะแต่เรามาคิดในภาษาไทยเป็นคําหยาบไปตัวเองมันก็ด่าวว่าเปรตว่าผีนี่โกรธกันตายเลยทจริงก็ก็โดยความหมายแล้วก็ไม่แรงอะไรแต่คนไทยเรายังลึกซึ้งขึ้นไปกว่านั้นน่ะ <c oughs> ใครไปด่าว่ามนุษย์้ะโกรธกินที่จริงก็ยกย่องเขายกย่องอีกใช้คําว่ามนุษย์ เ, ยเนื่องจาก ไอ้ความปักใจฝังใจคนเราก็มองไปในแง่ที่คล้ายๆกับหน็งคำด่าไป <c oughs> ต่อไปก็ <c oughs> เป็นเรื่องเป็นเรื่องย้อนต้นไกลมากในเรื่องนี้ <c oughs> เรื่องปัสสัยหาเศรษฐี <c oughs> คือมันพระเถระ พระมคคัาลานะฮะไปพบกับคนมันหลายคนแต่ก็สรุ ป, ประมงเกี่ยวกับปสัยหะเศรษฐีปสัยหะเศรษฐีนั้นเป็นเรื่องก่อนพุทธกาลคือท่านท่านตั้งโรงทานตั้งโรงทานแล้วก็แจกทานแก่คนทั่วไปนะแล้วก็มีคนจัดการให้ทานแล้วก็ท่านเศรษฐีเอง แล้มีคนที่ไปเกี่ยวข้ อ, ของสัมพันธ์กับท่านที่จริงมีเยอะนะฮะอย่างนางสันธรรมิตาซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าอาโศกต่อมามาเกิดเป็นมเหสีของพระเจ้าอาโศกก็เกิดในยุคนั้นเหมือนกันออท่านมีมีนิ้วติ้งามมากคือไม่มีข้อที่แตกลักษณะเหมือนกับลำเชียนอันนี้ก็อา น, นิสงก็ไม่มีอะไรที่จริงก็เป็นหญิงคนใช้ในบ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับพรสัยหาเศรษฐีเมื่อมีคนมา สอบถามบ้านประเสหาเศรษฐีก็จะชี้ให้ต่นนั้นเองแต่ชี้ให้ด้วยความสมัครใจด้วยความยินดีด้วยความชื่นชมที่ได้ช่วยเหลือเขาเพราะตัวเองก็ให้ทานอะไรไม่ได้นี่ก็ได้บุญกุศลนั้นก็ทําให้นางเวียดว่าในสังสารวัตรจนในที่สุดก็มาเกิดเป็นราชธิดาแล้วก็ได้เป็นมเหสีของพระเจ้าโศกชื่อสันธมิตาก็เป็นคนยุคนั้นเหมือนกัน แต่ว่าในที่นี้ท่านพูดถึงคนทั้งสามคนคือคนหนึ่งนั้นเป็นคนใช้อ่ะฮะเป็นทาตเขาก็คล้ายๆกับนางที่ไปเกิดเป็นสันนิตานั่นเองแต่ก็ช่วยเหลือผวขวายบอกกล่าวชี้ทางให้แก่คนซึ่งจะไปบ้านประสัยหะเศรษฐีก็เป็นคนที่เรียกว่าบริการอภิญญานะไอ้อไม่ใช่เบยาวัจจะไมนะ คือช่วยเหลือขวนขวาย ใ, ในขิจการงานที่มันเป็นประโยชน์เห็นคนดื่ก็ทำประโยชน์ตัวเองไม่มีเงินมีทองจะช่วยเหลือก็ช่วยเหลือด้วยกายเอาแล้วก็กับไอ้อะไรไอค้คนคนหัวหน้าจัดงานอะ่ะแจกทานที่จริงเป็นมันเป็นหน้าที่แต่ว่าแกบึ้งตึงแกบึ้งตึงแกคล้ายๆกับทำงานด้วยความไม่สมัครใจเพราะงั้น พอตายไปก็กลายเป็นคนที่หน้าตาพิกลพิการคือบึ้งตึงแบบที่เคยเล่ามาเรื่องนางปัญจักรปาปาส่วนประสัยหาเศรษฐีนั้นเป็นคนมีศรัทธามากแต่ว่าอย่างนั้นและท่านก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ลงมือลงไม้ทําเองอย่างหนึ่งแล้วก็คนที่รับนั้นไม่ได้เป็นทักษิณยบุคคลที่สมบูรณ์คือให้สเปสะสปะไป มันก็เป็นบุญเป็นกุศลที่ทำให้บังเกิดเป็นเทพประุตรส่วนไอ้ไอ้ไอ้คนให้ทานนั้นก็กลายเป็นเปรตที่มีหน้าตาพิกลพิการไอ้คนที่บอกสถานที่ให้นั่นก็กลายมาเป็นเทพเออเป็นเทวดาซึ่งเป็นลุกเทวดานะฮะแต่ปัจฉิะเศรษฐีก็บังเกิดไปไปสวรรค์ชั้นดาวดปถงมันก็มันก็คนละพวกกันแต่นี้เป็นการจำแนกจากจุดเดียวกัน คือท่านต้องการแสดงเห็นว่าคนตั้งหลายคนที่ร่วมในกิจกรรมเดียวกันซึ่งมันน่าจะไปด้วยกันแต่มันไม่ไปด้วยกันเพราะว่ามาตรฐานทางใจหรือพื้นฐานทางใจของคนเหล่านั้นไม่เหมือนกันแม้จะทํางานเดียวกันก็ตามใกล้ๆการเรียนหนังสือความรู้สึกต่อวิชาที่เรียนต่อครูที่สอนต่อเนื้อหาวิชาต่า ง, างเป็นต้นไม่เหมือนกันคนเราก็รู้อะไรไม่เหมือนกัน ทีนี้มาถึงเปรตอีกเปรตหนึ่งนี่เป็นนี่แปลกมากคือทําให้นึกถึงนิทานพื้นบ้านของเราคือปรากฏว่าท่านผู้นี้แหละก็นานมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเวมานิกับเปรตเวมานิกับเปรตนั้นเป็นเปรตประเภทอยู่วิมานนะฮะคือไม่ถึงกับเทไม่ถึงกับเป็นเทวดาแต่ไม่ถึงก็เป็นเปรตทั่วไปเรียกว่าเปรตกิติมัทสักสักหน่อย คือมันอะไรคือช่วงหนึ่งนี่ก็แล้วแต่มันอาจจะ7วันหรือวันหนึ่งก็คือ1นหรือเวันหรือสิวันหรืออาจจะเดือนหรืออาจจะหลายปีมันจะครึ่งต่อครึ่งนะครึ่งต่อครึ่งครึ่งหนึ่งนี่แกจะทุกข์ทรมานเช่นสมมติว่ากลางวันเป็นเทพที่ดากร่างคืนก็เป็นเ ป, นเปนรตกลางวันเป็นเทพบุตรกลางคืนเป็นเปรต อ, อยู่กี่วันอาจจะ7วันสิบห้าวันแล้วมันก็สลับกันอย่างเงี้ยครึ่งต่อครึ่งก็ขึ้นอยู่กับบาบาปบุญบาบาปบุญนี่มันเกิดกล้ำกึ่งกันนะ มันเกิดกั้มกึ่งกันคือต่างคนต่างก็ชักขยเยิกันไปชักขยเยอ้กันมาแรงมันพอพอกันก็เลยเปรตพวกนี้ค่าก็อยู่กึ่งกลางเขาเรียกว่าเวมาเนกเปรตเปรตอยู่วิมานซึ่งอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าอสภาพชีวิตของคนเราในปัจจุบันบางทีมันก็มีลักษณะของเวมาเนีก็เปรตคืออยู่เสียใน ที่อยู่หรูหราสะดวกสบายเหลือเกินในจิตใจเต็มไปด้วยความริษยาอาฆาตพยาบาทมุ่งโลภอยากได้วางแผนจะคอรับชั่นค้ายาเสพติดอะไรสทรศัพท์รันก็เปรตอยู่วิมานนี่มันก็เหมือนกันนะคือใจมันร้อนแต่ว่าสถานที่อยู่ของกายน่ก็ดีที่แปลกของคนผู้นี้ก็คือว่าเมื่อท่านไปอยู่เนี่ยเป็นคนไปหลงอยู่ในวิมานเปรตคือไปอยู่ในวิมานเปรตนานแล้วก็ทั้งจะกลับ พวกเปรบอกว่ากลับไม่ได้นะกลับไม่ได้ถ้ากลับแล้วจะเป็นอันตรายแต่แต่ว่าท่านก็จะกลับปรากฏว่าพอกลับมาถึงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วเวลามันผ่านไปนานเดกาเล่แล้วในโลกมนุษย์มันผ่านมันตั้งเกือบร้อยปีท่านก็แก่ง่อมเลยพอเข้าบรรยากาศมนุษย์ต่เองวูบลงวาหายไปเลยบุคคลแก่อายุเป็นร้อยรอยปีก็ไม่มีใครที่ ท, ท, ที่รู้จักกับเรื่องมันนานแล้ว แต่ว่าท่านก็ชี้แจงให้คนเหล่านั้นฟังว่าท่านได้ระสบพบเห็นมาด้วยตัวท่านเองว่าคนทั้งหลายนั้นก็เป็นไปาตามกรรมก็ขอชักชวนไอ้คนที่มาพบเห็นแกซึ่งซึ่งซึ่ ง, งออกไปเป็นคนแปลกนะว่าแกแกมากลด้เกินก็ชักชวนคนให้บำเพ็ญบุญกุศลให้ขจัดมัจซยาความสนงีงดเว้นการเบียดเบียนึ่างๆเลยกันกเป็นต้น ไอ้จากเปรตในเรื่องนี้ก็ทำให้เรานึกถึงไอ้นิทานพื้นบ้านเรานะคือไอ้โซวันในระดับหนึ่งมันคล้ายๆอะไรมันคลา้คลายมิติหนึ่งคล้ายมิติหนึ่งไอ้ความเชื่อของพวกฝรั่งเองที่เขาคิดคล้ๆมัน ม, มันมีช่องอยู่ช่องหนึ่งไปเข้าสู่อีกมิติหนึ่งที่เราพูดกันเรื่องเมืองรับแลเมืองรับแลเนี่ยพูดกันทุกประเทศไอ้ไม่ใช่ทุกภาคของประเทศเลยก็คนเราเดินๆมันก็หลง อย่างที่ที่จังหวัดนครเ น, นี่ยก็มีอยู่คนหนึ่งจริงๆจะเป็นเด็กนะะเว้นเด็กลงเล่นนะ้ํานี่ยเล่นน้ำเว้นน้ำตรงนั้นมันเป็นวังบนเด็กเขาเล่าประวัติศาสตร์โบราณว่าคนโอข้นทองมาจะสร้างพระธาตุนครแล้วก็มาไม่ทันมาไม่ทันก็แค้นใจก็เลยก็พังเรือในที่นั้นทุกวันมันก็ยังมีรูปเป็นรูปเรืออยู่อันนี้มันก็เป็นนิทานนะฮะ แต่ที่แปลกก็ตรงนั้นเป็นอ่างเป็นเป็นแอ่งน้ำใหญ่มากเป็นวังวนคนก็ลงไปเล่นน้ำแล้วมีเด็กคนหนึ่งมันดำน้ำมันหลุดหายไปเลยหาไม่เจออยู่นานนะฮะแกกลับมากลับมาก็ปรากฏว่าแกก็เล่าให้ฟังว่าแกดำน้ำมันหลุดเข้าไปในที่ไหนมันใกล้ๆเป็นเมืองเลยคนก็อยู่กันสนุกสบายแล้วแก ก, แก็ก็รับแกเข้าไปอยู่ในที่นั้น อยู่ไปสายเด็กนะคิดถึงแม่คิดถึงแม่ก็อ้อนวอนจะกลับมาเขาก็ห้ามไม่ให้กลับแกก็จะกลับก็าบอกเอ้กลับก็กลับเอาขามิ้นไปด้วยก็ให้ขมิ้นมาถุงหนึ่งไงแกบอกว่ขาขมิ้นบ้านผมแยะไปเพราะมันบ้านชาวสวนปลูกขมิ้นอยู่เยอะนะแต่ว่าเพื่อจะรักษาน้ำใจเขาก็หยิบ ม, มาอันเดียวพอแกดําน้ําหลุดขึ้นมาไอ้ปรกากฏขมิ้นมันเป็นทอง เป็นทองก็มาบอกคนเท่าคนแก่ก็ทีนี้ก็ลงงมกันใหญ่ก็ไม่หลุดไปสักคนอะไรก็ไม่ได้ก็ได้อันเดียวแต่นั้นเองอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องแปลกนะฮะแล้วแนวเหล่านี้ทางจังหวัดสุรินทร์อะไรก็เยอะที่จังหวัดพระตำลุงนี่ก็มีอยู่คนหนึ่งกันไปหาของในป่ามันหลงเข้าไปจนอยู่แล้วไปได้เอไปได้อะไรผู้หญิงที่นั้นเน่ยเป็นเมียแล้วก็มีลูก แต่มีข้อแม่นะฮะอยู่ที่นั้นโกหกไม่ได้ก็ต่อมาวันหนึ่งแม่เขาไม่อยู่ลูกก็ร้องไห้ลูกร้องไห้พ่อไม่รู้จะทำยังไงแก้ปัญหาไม่ตกบอกไปเดี๋ยวแม่มาแล้วหันไปดูประวัตไม่มีแม่คนที่นั่นก็ถือว่าโกหกก็อยู่ร่วงเขาไม่ได้เขาก็มาส่งก็มาส่งโซงแก้วว่าเดินเดินอยู่ดีดีเนี่ย เดินเดนจะเดียนี่นี่มันหลุดพวกลไปถึงมหาไลัยมหาไม่เจอแต่ะส่งชี้นะทางไปบ้านที่จังหวัดสุรินมันก็มีแนวอย่างงี้คนคนวิ่งวิ่งเล่นๆอย่านี้ฮะวันไปไปหลุดเข้าไปในมิติหนึ่งไว้เฉย ๆ, ๆพวกเปรตในลักษณะนี้ลองสังเกตดูว่าบ้างอย่างมันก็แนวเดียวกับเมืองรับแลที่เราพูดเราเราเรียกกันเองนะฮะเราไม่รู้จะเรียกยังไงอ่ะมันหลุดเข้าไปอยู่ในมิติหนึ่ง แล้วเมื่อหลุดออกมาเราก็เข้าไปไม่ได้อีกแล้วมันเป็นจังหวะจะเป็นบุญเป็นกรรมหรือเป็นความบังเอิญอะไรก็ไม่รู้แต่มันก็หลุดเข้าไปมันมีตัวอย่างมีบุคคลจริงๆแล้วกัเด็กคนนั้นแกก็มีทองมาจริงๆนะแล้วเป็นรูปคล้ายๆขมิ้นด้วยแล้วแกก็หายไปตั้งหลายวันนะก็อยู่ใต้น้ําก็น่าจะตายนะแกก็ไม่จะตายอะไรแล้กก็กลับมาซึ่งเราก็ไม่รู้จะคัดค้านแกยังไงน่ะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ ที่ประเด็นที่สำคัญในเรื่องเปรตทั้งหมดนี้ท่านจะเห็นว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วเปรตเหมือนกับอยู่ในมิติหนึ่งที่ท่านเรียกว่าเป็นอทิตสมานกายคือมีกายไม่ปรากฏเฉพาะบางพวกนะครับมีกายไม่ปรากฏเมื่อเขาต้องการจะให้ปรากฏคือเราจะเห็นเขาได้ด้วยอย่างที่พระโมกคลานะเห็นนั้นก็เป็นเรื่องของที่ประจักษุข แต่จะพบว่าส่วนมากแล้วแกจะมาหาเองคือมาขอส่วนบุญขอส่วนบุญอย่างสมัยอามาบวชใหม่ๆนะฮะมีพระองค์หนึ่งแกแกบวชแล้วแกแกซื่ซอแกไม่ยอมกรวดน้ำอะ ไ, ไรอะไรให้มีมือมันกระตุกหย่ยโตเลยกระตุกขากระตุกขาปลุกให้ตื่นบนรถไแกนอนไม่หลับแล้วก็มาเล่าเพื่อนฟังเพื่อนก็แนะนาให้ ไหพระสวดมนต์อุทิศกุศลให้แก่ปู่ย่าตายายไปแลแ้วแก่ก็แกก็หายอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่ถ้าเราอยู่ในแวดวงนี้นะในแวดวงการศึกษาการปฏิบตัติการเจริญกรรมฐานมัน ก, มก็เจอกันแล้วก็พบเห็นกันมีการขอส่วนบุญในรูปลักษณะต่างๆโดยการปรากฏตัวของบุคคลเหล่านั้นเองแต่ประเด็นที่สำคัญที่สรุปก็คือว่าการบังเกิดเป็นเปรตในลักษณะเปตโลก เป็นเกิดขึ้นด้วยบาปประกับมีความสนีมีความหวงแขนมีความก้าวร้าวรุนแรงอิจฉาริษยานีนมากเลยเกิดนะฮะริษยาเนี่ยมากจริงๆเลยเกิดเป็นเ ป, นปรตพริษยาเนี่ยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าบรรดาบาปอคุศลเหล่านี้ที่จริงมันก็ทําให้เราเฉียดเปรตไปตั้งแต่ตั้งแต่ที่เราเป็นอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่ที่เราเป็นมนุษย์อยู่แล้วมันก็จิตใจก็ตกคือละความดีไปแล้ว เป็นการสอนในเชิงรูปธรรมเรียกว่าปุคลาธิฐานมีนิทานมีตัวอย่างมีบุคคลเข้ามาชี้ให้เห็นว่าถ้าทำอย่างนี้ก็ประสบผลอย่างนี้ซึ่งเมื่อเราร่นระยะการให้มันสั้นเข้าก็ดูกันในโลกปัจจุบันนะฮะก็สภาพชีวิตเป็นสภาพจิตใจที่มีความหิวกระหายมากไปโดยความริษยาอาฆาตเนะี่ยเราจะเห็นว่าหาความสุขไม่ได้มันมีความเร้าร้อนมันก็เดือดพล่านไปด้วยอาการทั้งพวก เพราะงั้นความเป็นเปรตจึงร่นให้แคบลงมาได้แม้ชั่วขณะของความคิดยามใดที่ถูกเพลิงริษยาเพลิงอาฆาตมาแผดเผาความโลภที่ไม่มีที่สิ้นสุดครอบงำใจในขณะนั้นมันก็จิต ก, ก็ตกอยู่ในสภาพเปรตในภูมิของเปรตประการหนึ่งนันกันซึ่งเราเชื่อมโยงได้ทั้งการสั้นและการยาวเป็นหลักที่ ควรแกการศึกษาและการพินิษพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือปัจจัยที่เป็นเหตุให้เป็นเปรตประเภทเปรตจริ ง, รงๆก็ควรละเว้นแล้วก็ส่วนที่เป็นเปรตประเภทเป็นเทพบุตรดเป็นเทพติดาที่ท่านแสดงไว้ก็เป็นคุณธรรมที่จะนําให้บุคคลเป็นเทพบุตรดเป็นเทพติดาได้แม้ด้วยชีวิตปัจจุบันนี้เอง สมมวันนี้ก็ขอยุดติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี